เป็นปุถุชนเป็นต้นเนี่ยจะเสียใจเมื่อเป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็จะเกิดความเดือดร้อนใจว่าพระศาสดาเมื่อปรินิพานก็ไม่ประทานแม้เพียงสติแก่เราถ้าเรารู้เสียก่อนก็จะไม่พึงอยู่ไกลอย่างนี้เนี่ยนะพระภิกษุก็จะไม่จารึกบางทีเนี่ยบางองค์จารึกไปเป็นพันกิโลเนี่ยนะนี่ถ้าเป็นพันกิโลแล้วจะไงจะได้มาเจอพระพุทธเจ้าตอนปรินิพานท่านเหล่านั้นก็จะเสียใจหนั้นพระองค์ก็ไม่ให้ภิกษุทั้งหลายไปไกลก็อยู่รอบๆเมืองภัยาลีนี่แหละ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 นะฟังรมเท่าไหร่นะ24ครั้งนะนะก็โอ้ได้ฟังรมเยอะนะเนี่ยีเหตุการณ์ที่พระองค์ตอนจำพันษาเป็นอย่างไรบ้างในหน้า273สบสาครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าจำพระพันษาแล้วก็เกิดพระอาพาธอย่างแรงกล้าป่วยมากเลยนะมีเวทนาหนักเป็นไปเวทนาความเจ็บปวดเนี่ย แค่ไหนบอกปางตายเหมือนกันครับเรียกว่าชนิดใกล้สิ้นพระชนเหมือนกันเป็นความเจ็บปวดปางตายเนี่ยนะก็อย่างว่านนะพราะรูปทั้งหลายรูปก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกใช่ไหมเพราะมีรูปรูปเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาฉะถ้ามีรูปรูปที่วิบัติทั้งหลายเวทนาก็เจ็บปวดปั้นพระพุทธเจ้าก็เจ็บปวดปวดแค่ไหนบอกปวดเกือบตายเหมือนกันเถะปางตายเนี่ยและเฉียดเียตายนั่นแหละ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 ไม่บอกลาภิกษุทรงแล้วปรินิาพานนั้นเป็นการไม่สมควรแก่เราหมายว่าถ้าพระองค์จะปรินิาพานเลยก็ได้แต่ถ้าไม่บอกพระภิกษุทั้งหลายก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นเราควรจะขับไล่อาพาธนี้ให้ถอยไปด้วยพระวิริยะแล้วอธิษฐานชีวิตสังขารดํารงอยู่ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขับไล่พระโรขาพาธนั้นให้ถอยไปด้วยพระวิริยะแล้วก็อธิษฐานชีวิตสังขารดํารงอยู่ ครั้นแล้วพระโรคาพาสนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สงบไปนะก็แสดงว่าเจ็บปวดมากเนี่ยนะคำว่าดำรงมรณ น, นติกาเนี่ยเป็นความป่วยที่สามารถทำให้ตายได้ว่า ง, งั้นต่างตายหรือเป็นความเจ็บป่วยใกล้ต่อความตายบทว่าสโตสัมปชาโนอธิวาเสสิพระองค์นี้ทรงตั้ ง, งเอาไว้ด้วยตั้งไว้มั่นด้วย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 คำว่าอดกลั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทนทนท น, ทนทนทนไม่ใช่คือไม่เอาเรื่องเวทนานั้นมาเป็นที่หนักใจเนี่ยนะไม่เอาเรื่องเวทนามาเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคถ้าคนที่ความขาดความอดทนก็ป ว, ปวดปวดปวดอยู่นั่นแหละแต่ถ้าสําหรับพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่เอาเวทนานั้นมาเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยนะแล้วทำยังไงก็เข้าพระสมาบัติเอาอนุภาพแห่งพระสมาบัติเอารูปที่เกิดจากพระสมาบัติมาช่วยหลอเลี้ยงให้สรีระเนี่ยเป็นต่อไปได้ ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงเข้าพละสมาบัตในก่อนแต่นี้หรือก่อนนี้พระองค์ไม่เข้าหรือยังไงสมาบัตต่อว่าเข้าสิแต่ว่าสมาบัต น, นั้นน่ะเป็นคณิกะสมาบัติเป็นสมาบัติเล็กน้อยเป็นสมาบัติที่เข้าว่าวแวบๆนะเข้าทีละสิบนาทีห้านาที20นาทีเข้าไม่นานใช้เวลาไม่มาก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 สมาบัติที่พระองค์เข้าอย่างรวดเร็วก็เหมือนกันเพราะองค์ไม่ได้พิจารณาสังขารมากแต่ก็เข้าสมาบัติได้แต่ว่าพอออกจากสมาบัติก็เวทนาตุ่มทับอีกอันหนึ่งสมาบัติของผู้กระทําหมวดเจดแห่งรูปและหมวดเจ็ดแห่งอรูปให้เป็นพุ่มนะให้หมดพุ่มหมดรกหมายว่าเจริญเจริญอะไรเจริญอรูปหมวดเจ็ดแห่งรูปหรืออะไรนะระรูปสัตกะอรูปสัตกนะ ในถ้าใครที่เรียนวิสุทธิมัคปัญญานิเทศเรื่องอตรงสัมมสนญาเนี่ยนะรูปสัตกะอรูปสัตกะที่เป็นเบื้องต้นแห่งอุทย พ, พยายาเนี่ยตรงนี้ก็จะเข้าใจไม่ยากก็คือพิจารณาหมวดเจ็ดแห่งรูปเนี่ยนะหมวดเจ็ดแห่งรูปหมวดเจ็แห่งรูปเนี่ยพิจารณาอย่างละเอียดยิบเลยเนี่ยนะด้วยอำนาจมหาวิปัสสนาอันนี้ชื่อว่าข่มไว้เป็นอย่างดี แต่ถ้าเจริญอันนี้จังปั๊บแล้วเข้าพระสมาบัติไปเลยหรือทุกขังแล้วก็เข้าพระสมาบัติไปเลยหรืออนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เข้าพระสมาบัติไปเลยอันนี้มันเหมือนกับแหวกนิดหน่อยแล้วก็เข้าไปได้เลยเนี่ยนะก็คือความชํานาญขนาดนั้นนั้นตอนที่อยู่ในพระสมาบัติก็ไม่เจ็บปวดแต่ออกจากพระสมาบัติก็เจ็บปวดตามเดิมเนี่ยนะก็ขมได้ชั่วคราวขณะที่เข้าสมาบัติแต่ทีนี้พระองค์ก็ขมสมาบัติไม่ให้มันปวดมากทํำยังไงคะเนี่ย ก็พิจารณารูปสัตตกะและอรูปสัตตกะเนี่ยนะพิจารณาเนี่ยนะพิจารณารูปตามลำดับวัยพิจารณารูปนะตามลำดับวัยแล้วก็ตามอะไรทศกะทั้งหลายก็มีการแบ่งทัศกะมีการหมวดจนถึงอาหารกรรมชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปธรรมดารูปก็พิจารณาสังขารเสร็จแล้วก็พิจารณานามที่ไปพิจารณาอรูปทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเรียกว่าเจริญวิปัสนาอย่างละเอียดยิบหมดเลย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 ก่อนน้าจะเข้าสมาบัติด้วยการพิจารณารูปสัตตกะอรูปสัตตกะนั้นนะ่ะต่อนานมากความเจ็บปวดจึงจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะตอนนานมากถ้าเปรียบเหมือนว่าความเจ็บปวดเหมือนกระจอกเหมือนกระแหนที่มันมารวมตัวกันเนี่ยนะนั้นถ้าแหวกออกไปดีก็นานกว่าจะปวดอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าสมาบัติเหล่านั้นเป็นเหมือนกับยากี่กะรักษาความเจ็บปวดหนั ก, นกๆชนิดหนักๆได้เจ็ดปดเดือนอย่างเงี้ย ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเป็นเสมือนทรงตั้งวิปัสนาใหม่เอี่ยมเจริญวิปัสนาเหมือนกับเจริญจะให้เป็นพระพูเทธเจ้าคือเอาจริงเอาจังในการพิจารณาใคร่ครวนตื่นตัวเหมือนตอนที่ปฏิบัติให้เป็นพระพูเทธาเจ้าเอาจริงเอาจังขนาดนั้นเหมือนัันก็เลยเรียกว่าเหมือนตั้งวิปัสนาใหม่เอี่ยมณนะพระมหาโพธิที่บัลลังก์ในวันนั้น วันนั้นน่ยที่จะข่มเวทนาว่ารู้ว่าอีก8เดือน9เดือนต่อไปเนี่ยนะที่เอาจริงเอาจังขนาดนั้นเหมือนจะปฏิบัติให้เป็นพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยจมลงด้วยการทําอาการ14 14ก็คืออะไรหมวด7แห่งรูปรูปศัตรกและอรูปศัตรกไม่ทําให้เป็นพุ่มมันไม่ไมากองสมสมกองๆองไม่ใช่นะมีการแจกทําให้ไม่รก แล้วสรงไม่สวยเวทนาด้วยมหาวิปัสนาเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เข้าสมาบัติด้วยประสงค์ว่าขอเวทนาอย่าเกิดตลอด10เดือนเนี่ยนะอธิษฐานอาศัยบาตแห่งการเจริญวิปัสนาเพื่อเข้าพระสมาบัติเป็นตัวสําคัญเพราะมีความต้องการว่าความเจ็บปวดเนี่ยอย่าได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา10เดือนเวลาที่พระองค์ส่งข่มสมาบัติเนี่ยนะข่มด้วยเวทนาด้วยอํานาจของสมาบัติเนี่ย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 มันใครที่จะปรารถนาจะรักษาโรคกายโรคใจเนี่ยนะรักษาอย่างละเอียดรักษาโรคกายก็เจริญรูปสัตตกะอรูปสัตตกะให้เยี่ยมเลยนะหรือรักษาโรคใจก็รักษากิเลสได้เนี่ยนะันก็รูปสัตตกะอรูปสัตตกะนั้นเป็นมวดธรรมที่ท่านสัาเสรินมากรูปสัตตกะรูปศัตตกะแม้กระทั่งในนาวาสูตรเนี่ย ในสังยุตตนิกายขันธวารวักเนี่ยนะก็กล่าวถึงรูปสตัตกะรูปสตัตกะอีกหลายแห่งก็กล่าวถึงรูปสตัตกะและรูปสตัตกะเพราะมีความสำคัญมากต่อการรักษาโรคด้วยต่อต่อการละ ก, กิเลส ท, ทั้งหลายด้วยนีในข้ อ, อครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหายจากพระประชวนนั้นแล้ว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 ส่งพระสําราญแล้วข้าพระองค์ได้เห็นความอดกลั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระเจ้าข้าเนี่ยนะเห็นเห็นอะไรนะเห็นความก็ยังชั่วหน่อยนะเห็นความผาสุขเห็นความสุขของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะเห็นความอดกลั้นความอดทนจริงๆของพระองค์เนี่ยนะ